แคสตีจ ว, วันนี้ก็เป็นแค ส, สีหนึ่งวันสิบสอง็นึ่งศูนหนึ่ง ส, งสองให้เลือกเอาว่าจะตายที่ไหน <c oughs> คือชื่อเรื่องไม่ใช่ถามนักเรียนหรือบปล่านะจ๊ะชื่อจะชื่อก่อนอื่น ลูขกขอกราบขอบคุณหลวงปู่วัดปักน้ำหลวงพ่อคอรูไม้ใหญ่หลวงพ่อทัตติโวโรพระญาย์าทุกรูปของวัดประกายทั้งในประเทศและทุกศูนย์สาขาทั่วโลก <c oughs> ตลอดจงย า, ายใจมหารัตนาบสาิกาใจาขนุกยุ่งที่ช่วยลูกพ้นจากปมมันหาสามารถมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และมีโอกาสได้มาทําบุญมากมายอย่างต่อเนื่องที่อเมริกามากกว่า10ปีแล้วค่ะสาธุแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของตัวลูกขอเริ่มจากเรื่องของคนในครอบครัวของลูกก่อนนะคะคุณแม่เป็นลูกคนที่สองในจานวนพี่น้องห้าคนซึ่งเป็นหญิงล้วนท่านมีฐานะดี แถมยังสวยฉลาดเรียนเก่งโอ้โห oh, สวยรวยฉลาดคุณแม่เคยไปเช็คไอคิวทำเอาคุณหมอตกใจเลยหัว oh, ใจแทบจะวายและคุณแม่ไอคิสูงถึง107คะแต่ขณะที่คนทั่วไปอยู่ที่ 85-115 แล้วม่าคุณแม่เดิแต่งงานกับคุณพ่อใครๆก็บอกว่าคู่นี้เพอร์เฟกตลงตัวเพราะว่าเรียนเก่งมีการศึกษาดีดดียกันทั้งคู่คุณพ่อคุณแม่ก็ครองรักกันจนลูกสาวคนแรกอายุสองขวบตัวลูกเองซึ่งเป็นลูกคนที่สองกำลังอยู่ในท้อง จอชีวิตคู่ของพ่อและแม่ก็เริ่มไม่ลงตัวเพราะมีเศษเศษส่วนเกินในชีวิตนะมีไส้ติ่งของชีวิตหรือเนื้องอกของชีวิตเพราะว่าเราสองคนต่างเป็นเนื้องอกกันเทพบุตรน่าจะไปร้องให้เทพธิดาฟังนะครอบครัวจะได้อบอุ่นบางทีเรา เรานึกก็ร้องทีเดียวตอนที่เราแรกเจอกันเนี่ยนึก็่าจะใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่นะบอกรักกันเนี่ยฉันรักเธอเนี่ยไอเลิฟยูเนี่ยมันใช้ได้ไปแค่วันต่อวันนั้นนั่ะเหมือนมื้อเหมือนอาหารมื้อต่อมื้อกันต้องบอกบ่อยๆไม่ใช่ท่านอาหารมื้อเช้าเลยจะใช้ได้ไปอีกเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมันก็ต้องเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็น เยน็นงอีกมือหนึ่งนี่การแสดงความรักระหว่างคนที่รักกันเนี่ยฉันสามีภรรยาเนี่แม้อยู่ด้วยกันมานานวันก็ต้องบอกกันบ่อยๆนะบอกบ่อยๆไม่ใช่นื้ว่าบอกทีเดียวใช้ได้ทั้งชาติ <c oughs> แล้วพอบอกแม้นนี่เธอไม่บอกรักฉันเหมือนเดิมเลยเขาเคยบอกเมื่อห้าสิปีแล้วแต่ <c oughs> ทีเดียวกันน่ะจะใช้ได้ตลอด <c oughs> มันไม่ใช่นะ กระดาษที่ชื่อช้ยังหมดไปเลยนี่ความรักนี่ใช้เปลืองกว่ากระดาษที่ชื่อวิ <laughs> นี่มันมันที่ชื่อวชีวิตนะอเอาถึงไหนให้พวกนี้ชวนคุยเริ่มมีปัญหาไม่ลงตัวขณะตัวลูกเองอยู่ในท้องจอชีวิตคู่ของพ่อและแม่ก็ เ, เริ่มไม่ลงตัวเพราะมีเศษ ส, ส่วนเกินในชีวิต เป็นใยชีวิตส่วนเกินของเหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณแม่เพิ่งทราบว่าก่อนที่คุณพ่อจะแต่งงานกับคุณแม่มเพิ่งมาทราบเนี่ย <c oughs> ก็ไม่หาความรู้ก่อนตอนนู่น <c oughs> ก่อนแต่งต้องหาความรู้ก่อนนะ <c oughs> เพิ่งมาทราบว่าคุณพ่อเคยข้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคน<อ>และคุณพ่อก็ทิ้งเขาไปไม่เลี้ยงดู ม, มาทราบทีหลังเนี่ย ตอนที่มีลูกคนที่สองอยู่ในทอ้องคุณแม่โกรธมากตามไปดูผู้หญิงคงนนั้นถึงบ้านพบเด็กผู้ชายอายุประมาณห้าขวบอายุเท่าไอโกเนี่ยถูกจับล่ามไว้โดยมีเชือก ร, รัดข้าอเท้าทั้งสองผกไว้กับขาโตะ๊ะครูพี่ใหญ่เคยโดนผลกันไว้กับบัไนได ขวบสองขวบแลวแต่แถวนั้นตังหงัดพูดคงไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกป้าเล่าให้ฟังท่านตายไปแล้บอกาก็ต้องผูกม้ยที่บันไดเอาบันดไดเประเบพออเ อ, อที่เวลาหิวก็สอนตัวเองนะเป็นครูตั้งแต่สองสามขวบ <c oughs> ก็เห็น เดี๋ยวแม่กำลังทำงานทําการอะไหิวอะ่ะแต่ว่าป้ามาไล ฟ, ฟังนะตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกป้าจำประโยคเด็ดที่สอนตัวเองได้ <c oughs> เป็นครูมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ท้องเอ้ยอย่าหิวเลย <c oughs> อย่าเพิ่งหิวเลย <c oughs> แม่ก็ยังทํางานอยู่ <c oughs> <c oughs> อบลมท้อง <c oughs> แล้วก็ทาดีเหมือกันเ <c oughs> อาเป็นครูนี่ดีนะ เป็นผู้แสงสว่างต่โลกเราจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ถ้าทุกคนเป็นครูครนี่ะโยกเด็ดนี้อย่าลืมนะถ้าทุกคนเป็นครูนี่เรื่องจริงเป็นอาชีพอื่นไม่มีทางที่จะเกิดสันติภาพโลกได้ยากทุกคนต้องเป็นครูที่ไปสอนนักเรียนในกระจกนี่ กสานกเรก็มีฮีริมีโอตป ะ, ะนี่มีอะไรแต่ อ, อะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีศีน้าอย่างนี้เป็นต้นโดยมีเชื่อกรัดเข้อทเท้าทั้งสองผูไว้กับขาโตปล่อยทิ้งไว้จนข้อเท้าอักเสบมีหนองและเลือดกรัง<อ>เพราะแม่ของเด็กเอาอกไปรับจ้างขายข้าวแกงค่ะก็ต้องล่ามเ อ, อไว้ท้องเอ้ย อย่าหิวเลยแม่เอาไปรับจ้างขายข้าวแกงไม่มีเวลามาดูแล ค, คุณแม่ลูกจึงขอเด็กคนนี้ที่เกิดจากพ่อบ้านเนี่ยแม่เขาขอค่าน้ำนม5้า0ันบาท ค, บคุณแม่จึงรีบให้เงินทันทีนำเด็กมารักษาแผลจนหายแล้วสมงให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงค่ะค จิตใจงามอย่างไรคุณแม่เนี่ยแต่ว่าเรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้สิเพราะคุณตาหรือพ่อของลูกไม่ยอมให้ใครมาลูบคม้ารูปทางสันแล้วไม่ว่าอะไ ร, รมันอย่างด้าน ๆ, านๆไม่บาดมือลูบมจะบาดมือไม่ยอมให้ใครมาลูบคม กลัวบาดแล้วกลัวทื่อไม่ชอบเลยที่คุณพ่อทรยศต่อลูกของท่านออการลูกสาวขอท่านท่านยึงยื่นคำขาดกับคุณพ่อว่าจะเลือกตายที่เมืองไทยหรือจะไปตายที่เมืองนอก อ, อ่านี่คือที่มาของออชื่อเรื่อง จ, จะเลือกตายที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนอกออคุณพ่อก็เกิดดวงวิญญาปิ๊งขึ้นมาทันที เมืองนอกดีกว่าไปเมืองนอกดีกว่าถูกต้องจ้ะถึงบอกว่าขอไปตายเมืองนอกอือเป็นตาบอกได้เลยให้ตั๋วเครื่องบินพร้อมหนึ่งเงินจํานวนหนึง่งน้อยจะให้ลูกสาวแล้วนะยังให้ตั๋วขึ้นบินบอีกให้ลูกเขยเลือกีว่าจะตายเมืองนอกมงึงเหรอมึงไทยแต่เนี่นเขาเลือกจะไปตายเมืองนอกอ้างง่ายตัว๋วให้เงินไปก่อน แล้วยังสั่งดีอีกไม่สั่งเสียของเง้นที่ให้นี่ให้อะไรเรียนต่อนะอและขอเพียงประการเดียวอย่ามาเหยียบประเทศไทยอีกนี่เทพบุตกรกรักษาคำมั่นสัญญามไม่มาในช่วงที่คุณตาอยู่คุณตา ย, อยางอยู่ <c oughs> แต่เจ็ดปีต่อมาเมื่อคุณตาเสียชีวิตลงคุณพ่อจึงกลับมาเมืองไทยเพราะว่า เพราะอะไรท่านกับเมืองไทยเพราะอะไรคิดถึงพุทธานดรเ น, นี่ยต้องเกิดในเมืองไทยเพราะว่าวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นที่นี่จะได้เรียนรู้ต่อไปภาษาไทยนี่จะต้องแพร่ไปทั่วโลกเพราะความรู้วิชาธรรมกายเก็บไว้โดยภาษาไทยอย่างเราถ้าเราจะไปเรียนวิชาอะไรในเมืองนอกเนี่ยก็ เ, เก็บไว้เป็นภาษาอะไรรเ ร, เราก็ต้องไปเรียนภาษานั้น นี่เป็นวิชาชีวิตเพราะนั้นเมื่อถูกเก็บไว้เป็นภาษาไทยก็ต้องมาเรียนภาษาไทยพอคุณตาเสียชีวิตลงคุณพ่อก็กลับมารับคุณแม่ไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาเพราะยังเลิฟอยู่บัดแต่คุณแม่ก็ต้องช้ำใจเพราะคุณพ่ออีก เมื่อมารู้ทีหลังว่าคุณพ่อมีเพื่อนหญิงแหม่มเคียงคู่ที่อเมริกาอีกหนึ่งคนคุณพ่อตอนนิสยัยใจชูเอาคุณแม่ตอนนิสัยใจชูกับคุณพ่อไม่ไหวไม่ไหวจึงให้โอกาสคุณพ่อเป็นอิสระได้ยาขาดจากกันแล้วคุณแม่ก็มารับตัวลูกพี่สาและคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาคุณแม่กลับมาเมืองไทยแล้วก็มารับตัวลูกพี่สาและคุณยาย มาเจอกันทเทศนาโดยทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่นี่ค่ะคุณพ่อนระาท่านเป็นลูกชาวนาะจังหวัดอยุธยาแต่เป็นลูกคนเดียวในขณะนั้นที่เรียนสูงสุดและสอบเข้าจุฬาได้คุณพ่อเเรียนเก่งและก็เด่นเรื่องฟันดาบสองมือม า, มาทำมมเจอกัะอีกองนั้น น, นั่น <Yeah. laughs> เอานั้นก็แชมป์ห้ามหาลลยนะดาบสองมือเนี่ยครองแชมป์จนได้ตำแหน่งยอดขุนพลคุณพ่อมีสโลแกนประจำชีว่าทำอะไรต้องชนะถ้าทำแล้วแพ้ทำไปทำไมเออทำใจให้ใส่ทำใจให้หยุดได้ไหมจ๊ะนี่ทหานไม่ถามคุณพ่อเนี่ย ถ้ามีสโลแกนอย่างนี้นะบอกทำอะไรก็ทำเถอะแต่ต้องทำใจให้หยุดได้คุณพ่อเคยช่วยเหลือชายไม่มีงานทำคนหนึ่งที่อเมริกาซึ่งจะไปอาศัยกินนอนอยู่ในวัดโดยให้ดูแลสวนที่บ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อจนถึงคุณพ่ อ, อ, อกลับเมืองไทยประกอบด้่บ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อที่อเมริกานั้นถูกงัดขโมยทรัพย์สินจากหลักฐานหลายอย่างประกอชัดว่า เป็นฝีมือของชายคนนี้ร่วมอยู่ด้วยคุณพ่อจึงให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกในวันเกิดพี่ชายคุณพ่อกำลังจะไปทานอาหารกลางวันกับพี่ชายชายคนนั้นก็มาเรียกคุณพ่อให้ไปคุยกันหน่อยอแล้วเาก็ได้ยิงคุณพ่อสองนัดที่แสกหนะ้ายิงเสร็จเขาก็วิ่งหนีไปหลังบ้านคุ้มคลั่งพยายามฆ่าตัวตาย ตำรวจกล่อมยนนานกว่าจะยอมจำนนคุณพ่อจึงสีชีวิตเมื่อยุติได้81ปีเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนทั้งทางทีวี ie, และหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิตของคุณพ่อท่านใช้ผู้หญิงเปลืองมากไม่ได้ช่วงบันปลายก่อนสีชีวิตขณะอายุาย81ปีแล้วก็ยังใช้ชีวิตกับน้องหญิงอีกคนหนึ่งค่ะ คุณตารับราช ก, การดูแลการสร้างทางรถไฟทั่วไปสารรถในอุดมกติายา ว, ยาวดรโลเซ ล, ลอยว่ายาวเลยเนี่ยรถไฟยาวกว่าแล้วต้องมีทางเป็นพิเศ ษ, ษด้วยคล้ายๆก็หลีกไขห้หมดในยุคปฏิรูป ก, การรถไฟสมัยรอห้าถึงรอเจ็พอกลับถึงบ้านก็มักจะยิงสัตว์ อา ม, มาให้กุยายทำอาหารบ่อยๆเพราะมันมีป่าเยอะสัตว์ป่าก็เยอะมนุษย์ก็คิดเอาเองว่าสัตว์ป่าอยู่ในป่าเป็นอาหารของมนุษย์หลังกเกษียณแล้วคุณตายยังเคยร่วมในกระบวนการเสรีจไทยเป็นสายลับนำข่าวการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นมาบอกให้ทหารพนานมิตรเพื่อไปบอมตามจุดสาคัญที่ญี่ปุ่นอยู่ ชุมันปลายคนตาป่วยเป็นโรคหัวใจระเบาหวานเสียชีวิตในอาการหลับไปเฉยเฉยในวัย68ปีคุณยายารักการทำบุญให้ทานแม้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาคุณยายก็อัญเชิญพระพุทธรูปไปด้วยแม่ถูกต้องดีมากเลยคุณยายไปทำบุญที่วัดไทยในลอสแองเจลิสอย่างสม่ำเสมอเพราะคุณยายรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องสั่งสมบุญกันทุกคนต่อมาธรู้ว่ามีวัดพุทธเมวูดเกิดขึ้นที่นี่ วันนั้นเป็นวันเกิดของท่านพอดีคุณยายจึงบอกลูกจัดสังฆทานชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดสังส่งใส่กะขาตัวไปนอนพักผ่อนลูกจัดเตรียมสังฆทานเสร็จจึงไปปลุกท่านเพื่อจะไปทำบุญด้วยกันปรากฏว่าคุณยายได้จากลูกไปแล้วแบบหลับไม่ตื่น mm hmm. ฟื้นไม่มีโดยวัยจ็ดสิบสองปี หลังจากงานศพเรียบร้อยแล้วโลกระด้นําสังฆทานไปทาบุญที่วัดพุทธเมรุตรและสร้ามและทำการจำตัวจะรึกชื่อให้คุณยายหนึ่งองค์ค่ะแต่ลูกไม่เชื่อว่าการทำบุญแล้วอุทิศให้คุณยายจะได้รับจึงได้ติฐานว่าขอคุณยายช่วยมาบอกด้วยว่าได้รับ <c oughs> อ, อีกสองอาทิตย์ตามมาคุณยายก็โอเคว่างพอดี ลูกในฝันที่คุณยายสวมชุดทำทิศทองฉลุเป็นลายลูกไม้<อ>ดูหน้าสดใสสวยงามมาบอกว่าได้รับบ น, นที่ลูกทำให้ทั้งหมดค่เอืเอ ต, ตอนนั้นไม่ค่อยวางจ้าดีเมื่อนะอธทิหน้าจะดีนี่ไปดูสิบุรีหนึ่งแล้วเราสาธุดูเหมือนจะเป็นคุณหมอไงเนี่ยแต่คนกัน น, นั่งนิงน่งแหละนังไ่งั้นเดินไปเดินมาเลย <laughs> นั่งนิง่งแต่บางทีก็หลับหลับลืมลืมเราก็ลืมตาดูละคนไม่เคยนั่งนล่มันอาเรือดมึง น, นะแต่ตอนนี้หลับนิ่งนิ่งขึ้น <laughs> เปลี่ยนเป็นชุดขาวแล้ว <laughs> เก็ท่าดีเหมือน <laughs> ลูกมีปมัญหาในชีวิตคือลูกกิมาในตะลุงนี้ทุกคนประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน เวลาเรียนทุกคนต้องเรียนได้ทีหนึ่งเพราะคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวเป็นอย่างนั้นน่ะ<อ>ทุกท่านฉลาดไอคิวสูงมาก<อ>มันก็เลยบีบขั้นลูกทั้งทั้งในคนทุกคนก็ไม่นำมาบีบพอก็ได้ทีหนึ่งเนั้นนั้นเพราะว่าตัวลูกก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ยังดีที่ผลสอบแค่เกือบตกได้ที่ยี่สิบสาสิบทุกครั้งจากนักเรียนยี่สิบสาสิบคน ตัวลูกจึงเหมือนแกะที่แตกต่างจากแกะสีขาวดูเด่นดีเหมือนคนมีไฟที่หนาโลกไปความรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ที่อยู่ท่ามกลางผู้ชนะอยู่ได้ยากลำบากใจนักแต่มีคุณยายเพียงคนเดียวเนี่ยที่รักลูกอย่างไม่มีข้อแม้สัญคอยให้กำลังใจเสมอบอกดีมาก คนอื่นก็ได้เลขตัวเดียวเรามีกําไรได้สองตัวเอออันนี้ว่าเองนะแต่คุณยายว่าได้ที่สามสิบก็ดีสิลูกเออมากกว่าพี่เขาอีกอ้าใช่เลยนี่เห็นไหมพี่ก็สอบได้ที่หนึ่งเขาได้เลขตัวเดียวเราสองตัวมากเขาตังเยอะเออนี่เราโบไปยี่สบเก้า พี่ก็ได้เนืองราได้บากเขาทั้งเยอะอลูกก็พอมีกำลังใจพระคุณยายชื่นจใจกำลังใจลูกมาตลอดเลยทั้งทั้งที่ลูกก็เรียนไม่เก่งต้องเก่งและดีด้วยถึงแม่ลูกจะได้ที่30สบแต่ลูกก็จบปริญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ที่อเมริกาได้สำเร็จ<น> ไม่ได้แต่งงานชีวิตแต่งงานของลูกก็ไม่เหมือนปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จเพราะไม่ประสบความสําเร็จพี่สาวแต่งงานคุณแม่ให้เงินไม่ถึงแสนเหรียญเป็นทุนออไปตั้งตัวในอเมริกาแล้วก็รประสบความสําเร็จได้กําไรหลายร้อยล้านเหรียญแต่ตัวลูกคุณแม่ทุนเกือบสองแสนเหรียญพี่สาวไม่ถึงแสนเหรียญดูกําลังบุญทุงคนนะ ลูกได้เกือบสองแสนเหรียญกลับถูกสามีงลูกทั้งยืมทั้งขอทั้งยักยอกเงินของลูกทั้งหมดไปทําธุรกิจร้านอาหารและไฟนินแนซ์โดยใส่แต่ชื่อสามีและญาติพี่น้องของเขาเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ขาดทุนธุรกิจล่มละลายกว่าห้าแสนเหรียญนํ<อ>าความเสียหายอับอายมาถู่ตัวลูกคุณแม่โกรธมากที่ลูกถูกหลอก ตัวลูกก็รู้สึกแย่มากๆทั้งยังถูกคนในบ้านด่าก็ต้องระเทียบซ้ำเติมทุกวันว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่ที่จะให้ผู้แพ้คนนั้นแอะและงโง่เขลาอย่างเช่นตัวลูกยุคคำนี้บาดใจนักจนลูกไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมต่อมามาคุณยายที่คอยกำลังใจลูกสิ้นชีวิตไปแล้วลูกก็เหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง คิดว่าจะทนอยู่ทําบุญในคุณยายแต่ครบหนึ่งปีเพาศพคุณยายแล้วก็จะฆ่าตัวตายเมื่อครบหนึ่งปีลูกก็พาร่างกายและจิตใจที่บอบช้นไปกราบลาพระประธานที่วัดพุทธเมวุฒิขณะที่ก้มกราบพระประธานอยู่นั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินเข้ามามสมัยนั้นลูกมีอากติกับประสงค์ แต่ไม่มีอัคติกับพระพุทธกราบพระพุทธได้แต่มีอัคติกับพระสงฆ์จึงทําเป็นหันหลังเพื่อที่จะไม่ต้องไหว้พระแต่อยู่ดีดีเห็นไหมจ๊ะนี่ถ้าอยู่ไม่ดีจะไม่เจออย่างนี้เลอยู่ดีดีแท่งก็พูดว่ามีปัญหาเยอะมากนะโยมเนะลูกเอะใจไอ้ท่านรู้ได้ไง ยองเคยนั่งสมาธิบ้างไ้ยล่ะอลองนั่งไหมตอนนั้นโลกรู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงทำตามนั้นทีนั่งกั น, นั่งแล้วท่านก็พูดต่ออีกว่าข อ, ของเราทุกอย่างเนะี่ยมีได้มันก็สูญได้ถ้าเราไม่มีบุญพอจะรองรับทรัพย์ก็จะเป็นของคนอื่นก็ให้เขาไปเถอะรักษาใจใเราให้ใสใสย่อยสูญเสียวความสงบของใจ จากวันนั้นลูกประทับใจในความสำรวมของท่านธรรมะที่ท่านพูดโดนใจลูกทุกครั้งลูกจึงเลิกคิดสั้นหันมาคิดยาวและคิดดีคือคิดสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อและหมูห่คณะแทนค่ะพอตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าชีวิตมันก็มีเสียมีได้ถ้าเราเหนื่อยใจก็ตั้งปล่อยวางและปรับใจไว้ที่ตรงกลางกายแค่นี้เราก็จะ ลงใจไปเลยพี่สางลูกแต่งงานกับพี่เขยชาวอิหร่านทำธุรกิจประสบความสาเร็จมากบริษัทติดอันดับหนึ่งใน500อของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาปัจจุบันพี่สาและพี่เขยเป็นคนที่ไม่มีาศาสนาและเขาเห็นว่าแต่ละาศาสนาก็มีคนที่ทำไม่ดี คือมีทั้งดีและไม่ดีเนะี่ย <Okay. S 1> จึงอยู่ด้วยความคิดของตัวเองไม่จําเป็นต้องมีศาสนา mm hmm. นี่คือความคิดของพี่าสารและพี่เคย <Okay. S 1> ทั้งสองคนไม่มีลูกจึงรักลูกช้างลูกของของตัวลูกเนี่ยเหมือนลูกทแท้ๆของเขาลูกช้างลูกตอนตั้งท้องลูกก็ฝันประหลาดว่ามีผีปีศาจมาอัมทาให้ลูกขยับตัวไม่ได้เลยแล้วผีนึงก็บอกว่าเอ้ามานี hmm. ่ แล้วต้องมกช้าแขนของลูกที่ปิดท้องอยู่จะรู้สึกว่าแขนลูกหลุดไปลูกนึกถึงคำสอนคุณยายของลูกคุณยายลูกได้บอกว่าถ้าเจอผีสวดมนลูกเลยสวดพยายามสวดแม้จะสวดผีปีถุกตุกก็ตามผีก็หายตอนเด็กๆลูกชายเคยนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วใสแต่ตอนนี้เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเชื่อฟังแต่คำพูดของคุณป้า ก็เลยการเป็นคนไล่ศาสนาเหมือนพี่สาวและพี่เคยของลูกค่ะคําถามคนตารับราช ก, การการรถไฟอย่างซื่อสัตย์ท่านจะได้รับผลบุญอย่างไรผลบุญจากความซื่อสัตย์นี <c oughs> แต่ท่านก็ฆ่าสัตว์ธรรมหานและเป็นสายรับชี้จุดไอทหารทิ้งระเบิดจะทําให้ทํามีวิบากกรรมอย่างไร <c oughs> คุนตาตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะคนยาเป็นพุทธมราราาที่ดีมาตลาดชีวิตอืม ประกอบเหตุต่างกันนี่ไหมจ๊ะก่อนเสียชีวิตท่านยังสั่งให้เตรียมสังฆทานส่งพลในกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่โลกที่ไปให้ไหมคะลูกฝันเห็นคุณยายมาบอกว่าได้รับทุกทุกบุญท่านมาจริงๆหรือไม่คะคุณแม่ทำการมาอย่างไรถึงได้ฉลาดไอคิวสูง mm hmm. เกิดมาในครอบครัวฐานะดีแต่มีชีวิตคู่ล้มเหลว เป็นแม่่วยเหล่าพี่น้องทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณท่านคนที่รักเกือ้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะเหตุใดคุณพ่อเคยทำกรรมมาอย่างไรจึงได้มาเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดแต่เรียนเก่งต่อมาร่มรวยได้เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งใน NA. แอนเอแถมมีนาฬีคอยเปื้อนเปือเป้อจกนกระทั่งวันตายคุณพ่อมีกรรมมาคนที่ฆ่า ย, ยางไรคะ ตอนตายใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนลูกสำบูนหนึร้อยยีปีหลวงปู่กฤติงนจักรพัฒน์ปี49ก้ากิยนายวันปีสีและสร้างเมด a t i o n นหอนที่วัติธรรมบุกาแคลิฟอร์เนียอุทิษฐให้ด้วยเงินของท่านเองท่านได้รับหรือไม่คะแล้ววันนี้ท่านจะได้รับมากกว่าที่ลูกใช้เงินของลูกทําให้ท่านไหมคะคุณแม่ฝันเห็นคุณพ่อมาขอบคุณลูกทั้งน้ําตาคุณพ่อมาบอกลูกใช่ไหมคะ เหตุใดลูกจึงได้เกิดกับพ่อแม่ที่ฉลาดแต่ลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนบุญใดจึงทําให้เจอพระอาจารย์จะเลิกคิดฆ่าตัวตายและการที่เคยมีอคาาติและไม่เคารพพระสงฆ์จะมีวิบากกรรมอย่างไรและแก้ไขได้อย่างไรลูกสร้างกรรมอะไรกับสามีเขาจึงมาล้างผลาญและปอกลอกลูกคะในฝันตอนที่ลูกตั้งท้องลูกชายทําไมผีตัวนั้นจึงพยายามจะมาเอาตัวลูกชายไป เขเกิดมาผู้ช่วยอะไรชาวโลกเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกชายและวิสาขอลูกเคยผูกพันกันเปอย่างไรเขาจึงเชื่อฟังในคําพูดของวิสาขอลูกจนกลายเป็นคนไม่มีศาสนาพี่สาวและพเคยทําบุญอะไรมาถึงประสบความสําเร็จในธุรกิจมากบุพกรรมใดพีสาวและพีเคยจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาและการจะช่วยลูกชายโลูกที่นับถือศาสนาพุทธให้ไม่มีศาสนานั้นจะมีวิบากกรรมอย่างไรแล้วจะช่วยทั้งสามคนได้อย่างไรคะ พี่สาวและลูกใครทำบุญอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันทั้งตัณนิสารและความคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลาที่ลูกทำบุญลูกจะชวนคุณแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งซึ่งคุแม่จะอนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพแต่ลูกชายกลับไปแสดงความรู้สึกอะไรเฉยๆคุณแม่และลูกชายจะได้รับผลบุญต่างกันไหมคะคนแม่แต่ลูกและลูกชายก็สร้างบารมีมากะหม่อมคณะอย่างไร มีหน้าที่อะไรในกองทัพรมทำอย่างไรถึงจะไม่ตกรถด่วนขบวนสุดท้ายคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับรับตาฝันเป็นตัวมิตะตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นามาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจ่าคณตารับราชการอย่างซื่อสัต์นั้น ก็จะทำให้ท่านมีลูกน้องหรือบริวารเขาจะซื่อสัตย์ต่อท่านเช่นเดียวกันจ้าแต่ท่านกาดสัตตมหาหและเป็นสายรับชี้จุดให้ทหารทิ้งระเบิดนั้นก็นจะทำให้ท่านมีอายุขยสั้นมี โ, โรคภัยไขเจ็บร้ายแรงที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือพิการได้จ้าแต่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหาดารกขุมปานอัิบาศด้วยกัมปานาธิบาศ คนตากำลังโดนเจ้าหน้าที่เชื่อดชำละถูกยิงเป็นต้นอย่างที่ตัวเองทำไว้ทุกอย่างมีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะยังมีบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาอุ้มชูไว้จ้าได้รับบุญที้ยที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาจ้ะแต่ยังไม่พ้นโทษต้องอุทิศบุญไปอีกบ่อยๆจ้าคุณยายเป็นพุทธมามากาทีดีตลาดชีวิต ก่อนเสียชีวิตยังสั่งให้ทำสังฆทานส่งผลนหกตินิมิตท่านผ่องใสในระดับหนึ่งแต่ท่านตายยังกระตันหันไม่ทันได้ตั้งตัวจจึงวนเวียนจึงวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญทีิลูกที่ไปให้ จ, จึงทำให้ท่านอรุณึกถึงบุญที่ท่านทำไว้ได้ทึกบุญ<ม>บุญนังกลาได้มารวมส่งผลให้ท่านเห็นทางสว่างและกระแวบไปเกิดเป็นเทพธิดาสวย มีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองจ้าใช่ถูกนี่แม่จ้าสามีปรรญาในแปลงคนลที่คนลทางที่ตัวลูกฝันเห็นท่านนั้นก็เป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในช่วงที่ท่านวนเวียนอยู่จ้าคุณแม่ฉลาดไอคิวสูงเกิดบัณฑครอบครัวดีแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะในดีท่านฝ่ายการศึกษาได้ท บ, บีนเรื่องปัญญาบารมีและไม่มีกรรมสุราครับคือฝ่ายการศึกษาด้วยมีบุญเรื่องปัญญาบารมีด้วย ค, คือสนับสนุนเรื่องการศึกษา แล้วก็ไม่มีกรรมสุราที่จะทําให้ไม่ฉลาดอีกทั้งเมื่อทําบุญแล้วมาอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญาอีกแล้วก็ได้ทำทาบนบารมีอย่างส ม, ม่ำเสมอก็อธิษฐานส ม, ม่ำเสมอแต่ชีวิตคุณล้มเหลวเพราะกรรมการมเจชูสมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาดเช่นเดียวกับสามีในปัจจุบันที่ทํากับคุณแม่เป็นภาพในอดีตของท่านจ้า ค, ค, คุณแม่เจอเหล่าพี่น้องทุกคนแต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่านนั้น ก็ให้ท่านนึกว่าเป็นบุญส่งเคราะห์ญากของท่านจ้ะให้นึกว่าเป็นผู้ให้อย่างไร้ข้อแม้สักวันหนึ่งความดี ท, ที่ทําำมาก็จะส่งผลอีกทั้งพี่น้องทุกคนก็รู้และทราบซึ้งในพระคุณของท่านแต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นแหละจ้ะคนที่รักเกอ้อกูลท่านกับกลายเป็นเพื่อ น, นไม่ใช่พี่น้องเพราะได้ดีท่านมักจะทําดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัวแต่ด้านชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้างจ้ะ ก็ทำดีต่อไปอีกเพราะเป็นบุญของเราในฐานะผู้ให้จ้ะคุณพ่อเกิดเป็นลูกชาวนาต่างยังวัดเตรียนเก่งเพรอะในอดีตพ่อก็เป็นคนฝ่ายการศึกษาแต่มีมา n a ทิฏฐิว่าตนเองเก่งแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นจึงต้องไปเกิดเป็นลูกชาวนาต่างยังหวัดต่อมาลํารวยมีฐานะคนหนึ่งแถมมีนารียรลนเปล อ, นปลอจนกระทั้งวันตายเพราะ ท่านชอบทําทานและช่วยเหลือผู้ที่ได้วกว่าใน่ดีระส่งผลให้ร่ํารวยส่วนที่มีนารีปพรนเพลาก็เป็นกรรมใหม่ของท่านในปัจจุบันจ้าขันพ่อมีการมนคนที่ฆ่าท่านเพรา ะ, าะกรรมแน่ดีท่านก็นเป็นคนเรียนเก่งและได้รับราช ก, การจะเป็นอํามาตย์ผู้ใหญ่ได้ตัดสินความโจรคนหนึ่งให้ประหารชีวิตโจร น, นั้นจึงทําให้โจรผูกอาฆาตชาตินี้โจรคนนั้นได้มาเจอกันกันกบท่านจึงได้ฆ่าท่านตอบดังกล่าวจะ้ะ ตอนตายใหม่ใท่านกวนเวียนอยู่เพราะตายอย่างไม่รู้ตัวไป็ทันตั้งหลักและต่อมาเมื่อครอบเจ็ดวันก็ได้ถูกเจรีญตเชิญตัวไปอยู่บนโลกอขออาหารนรกขุมกาเมด้วยกรรมเจ้าชู้แต่ถ้ามีบุญที่ท่านทาตามประัพณีในพระพุทธศาสนาและบุญที่หลวงิดให้จึงทําให้ท่านไปเป็นกุมภันมีอันดะใหญ่เท่าหม อ, อมด้วยกรรมกาเมมีหน้าที่กรรมเจ้าชู้มีหนา้นาที่ไปลงทันสัตว์นรกในขุมกาเ ม, มตลอด นึงปีจะทำหน้าที่ในยมโลกสิบเดือนพักสองเดือนมนุษย์จ้าโอ้เป็นหน้าที่ที่ลุบล่างพิลึกเกื อ, อ <c oughs> เอาเงินท่านทำบุญแล้วที่ไปให้ท่านก็จะทำให้ท่านได้รับบุญมากกว่าเงินที่ลูกทำบุบญแล้วที่ไปให้ท่านจา้ะเงินของท่านทำจะได้มากกว่าเงินของลูกทำให้ท่าน <c oughs> ที่คุณแม่ฝันนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์จ้าตัลูกได้เกิดกับพ่อแม่ทิชราแต่ตัลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะ ไอด้ดีชอบสนับสนุนให้คนอื่นเรียนแต่ตัวเองไม่ชอบจะเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิษฐาในให้ตัวเองมีปัญญาอีกทั้งยังมีเศษกรรมสุราเนี่ยมาส่งผลด้วยจริงทําให้ฉลาดน้อยแต่ก็จะมีอีกชาติหนึ่งที่ตัวเองฉลาดมากแล้วก็มักชอบดูถูกคนที่ฉลาดน้อยกว่ากรรมที่ดูถูกเขากับกรรมสุราแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานตัวเองมีปัญญามารวมส่งผลในชาตินี้จ้า มาเจอพระอาจารย์แล้วทำให้เลิกคิดฆ่าตัวตายเพราะในดีก็เคยทำหน้าที่การมิตยให้กับผู้อื่นทำให้มาเจอกับพระอาจารย์ที่เคยทำหน้าที่การมิตยให้กับตัวลูก mm hmm. กลับไม่มีกรมฆ่าตัวตายมีแต่วิจีกรรมที่พูดว่าดูถูกคนฉลาดน้อยกว่าโง่โง่อย่างนี้ไปฆ่าตัวตายสักปะมารวมส่งผลที่คิดฆ่าตัวตายเมื่อเจอปัญหาชีวิตจ้า oh oh. การที่มีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์นั้นก็จะทําให้มีเศษกรรมที่จะทําให้เกิดในตระโกลต่ําได้ เราแสดงออกบ้างในการไม่เคารพในพระรัตนตรยัยเช่นหันหลังแสดงออกบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านคือใครดัง น, น, นั้นก็ให้แก้ไขโดยการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆทุกครั้งที่ทําบุญทุกบุญว่าให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกที่ถูกสามีล้างผลานปลอกล่อในชาตินี้ก็เป็นภาพในอดีตของลูกกัแหละสมัยที่เกิดเป็นบุชาก็ทําดังนี้ จึงเป็นคำรรเกล่าวของลูกและเป็นกรคำใหม่ของสามีแต่ก็ไม่ได้เคยผูกเวรกันมาจ้าในฝันตอนที่ตั้งท้องลูกชายนั้นก็เป็นเรื่องธาตุวิพิตจิตนิวรไม่มีอะไรเป็นพิเศษจ้าเขาเกิดมาพระธรรมปรินิพพานจะแจ้งสแสวงบุญสร้างบุญมีแต่เฉพาะมาเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองข้างในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ให้ตั้งใจศึกษาเนื้อหาของคําสอนโดยไม่ต้องไปสนใจข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์บางคนเลย จะเชิญแล้วไม่เชิญในพระพุทธศาสนาก็ต้องลงมือ ศ, ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกรจึงจะสมควรที่จะเรียกว่าวเป็นบัณฑิตนักปราชญาตามทันไหมจ๊ะครับ e <Obs erve S 1> ลูกชายและพี่สาวลูกในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้ลูกชายและพี่สาวของลูกเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้แต่เรื่องที่ลูกชายเชื่อพี่สาวลูกก็เพราะปัจจุบันพี่สาวของลูกประสบความสำเร็จใน ช, ออในชีวิตมีฐ um านะมั่งคั่งแตวพี่สาวไม่รู้ว่า การที่เป็นอย่างนี้เพราะบุญเก่ากําลังส่งผลอยู่ซึ่งก็จะหมดไปสักวันเพราะใช้ใช้บุญเก่าอยู่ถ้าละมาไม่สั่งสมบุญใหม่และทําตัวไม่มีาศาสนาเหมือนปัจจุบันไม่ศึกษาคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ก็มีสิทธิ์ถกต่ําได้พิสารและิเคยประสบความสําเร็จในธุรกิจมากแต่ไม่มีา ศ, าศาสนาเพราะในอดีตพิสารและิเคยได้ทําทานบารมีมาแบบสงเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ และพี่สาเคยทำบุญในพระพุทธศาสนามาด้วยจึงได้มาเกิดในครอบครัวที่มีแม่และยายนับถือพระพุทธศาสนาแต่เพราะบุญกาบันดาลได้ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นรวมทั้งได้เห็นข้อผิดพลาดของบางคนที่นับถือศาสนาจึงทําให้มีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้การที่เ ช, ชวนลูกชายตัวลูกให้เป็นคนไม่มีศาสนาเหมือนตอนนั้น ก็จะทําให้ปิดทางนิพพานของตนเองและลูกชายของลูกด้วยแต่น่าจะแก้ไขก็ให้ไปทํำนาทีเป็นกันเล ย, ยานามิเตเขาด้วยใจเย็นๆและความอดทนบอกเขาู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตามมาศึกษาและปฏิบัติดูก่อนเพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรมอย่าไปดูแค่คนบางคนที่ผิดพลาด ท, ที่เขาดับถือศาสนาแล้วก็ผิดพลาดเท่านั้นจะ้ะพิสารณาตัวลูกจะมาเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งคู่เคยทําบุญร่วมกันมา การชักชวนของแม่และยายมาเมื่อครั้งอดีตชาติจ้าแม่ชาตินี้จะมีบางอย่างที่แตกต่าง ก, กันก็ตามจึงมาเป็นพี่น้องกันเวลาตัวลูกทําบุญก็ไม่จะชวนคนแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งคุณแม่จะยนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพนั้นก็จะทายคนแม่ได้ทั้งความรวยได้เกิดในตระกูลสูงจะมีลูกหลานก็อยู่ในอว่าเป็นต้นจ้าแต่ลูกชายไม่แสดงค ว, สความรู้สึกอะไรก็จะได้บุญน้อยลงตามส่วนลงไปจ้า คุณแม่ตัวลูกและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาแต่เรสนับสนุนกิจการงานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายชาตินี้มาเจอเกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปด้วยสิบรีวงบนมิเตเคศบรมีโพธิสัต์จะได้พลัดกันเลยจ้จีก็เป็นเรื่องราวของเคสัดีสั้นๆเลจ้ะ